ตอนนี้ไปเขาบรรดาท่านผู้บริษัททั้งหลายฟังคําแนะนําในการปฏิบัติศักสิบนาทีเสร็จเจการปฏิบัติตอนลางวันนี้เป็นการปฏิบัติด้านอภิญญาสมาบัติที่เรียกว่ามาโนมยิทธิเพราะว่าเป็นหมดอยู่ในหมวดของอภิญญาสมาบัติการปฏิบัติแบบนี้บรรดาท่านพุ้ถวายสัท อันดับแรกจะต้องได้ทิพยจกครูยานก่อนเมื่อได้ทิพย์ครูยานแล้วมีจิตใจว่างคงครูจะแนะนำให้ทุกท่านไปสู่ดินแดนแห่งสวรรค์ที่เรียกันว่าพระจุลามุนีจีดีสถานหลังจากนั้นไปจะสู่แท่นบรรดุคมโพชิระอาจที่เป็นที่ประทับของพระอินท์ หลังจากนั้นต่อไปครูจะนำท่านแนะนำท่านไปสู่พนิพพานเป็นแดนที่พระพุทธเจ้าต้องการแล้วถ้าหาว่าท่านนั่งหลายมีการคล่องตัวครูก็จะแนะนำให้ไปเที่ยวอารูปประพรมอารูปประรมทุกชั้นเทว ด, ดาทุกชั้นเพราะม า, ารคละลึกชาติได้เสร็จไปสู่ดินแดงของนรกเปรตอสุรกายสัตวิชาน จะได้รู้ผลขอความดีของคนที่ทำและผลความโชดีธรรมแล้วท่านสามารถจะรู้ว่าท่านตายจากโลกนี้แล้วท่านจะไปเกิดที่ไหนจะมีความสุขหรือความทุกข์เป็นอย่างไงสำหรับวิชานี้ไม่จะมีผลเฉพาะในฝ่ายธรรมะอย่างเดียวถึงไมได้การคลองชีพในการเป็นมนุษย์ท่านสามารถจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ว่าการทํามาให้กินแบบไหนจะรวยจะไม่รวยจะได้กําไรได้ขาดทุนเบื้อหนา้าจะมีความสุขหรือความทุกข์ไปยังไงท่านี้มีฐานะไปยังไงจะมีร่างกายเมื่อเวลาตายจะมีลักษณะตายเมื่ อ, อไหรตายที่ไหนอาการตายไปยังไงตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนอย่างนี้เรารู้หมดแต่ขออย่างเดียวมัรดาแทนพุทธบริษัท เชื่อคำแนะนำเขาองสมนเด็จพระสคตคือพระพุทธเจ้าอย่าทำเป็นคนดื้อทำาหูเป็นโหกระทะตาเป็นตากระทะูคำว่าหูกระทะก็หมายความว่าฟังแล้วไม่ไม่จําฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่ตั้งใจจําตายกะทะูดูแล้วก็ไม่จําภาพนี่วิธีปฏิบัติขำบรรดาธรามพุทธบริสัทธ์ในด้ขาข้อาพัญญา ต้องเป็นคนมีความซื่อตรงและเข้มแข็งจริงจังถ้าป่อแปรอ่อนแอไม่ควรจะมาปฏิบัติวิชานี้วิชานี้ไม่ใช่วิชาของคนไม่เอาจริงแล้วก็ไม่ใช่วิชาของคนเลวด้วยวิชาของคนดีทุกคนต้องตั้งใจทําความดีความดีอันดับแรกคือศีล ถ้าสุขาปะสกโกดีชร า, าพิญโยติวิโชไิสมิตาปโตก็ตามรวงความกับปฏิบัติกรรมฐานทุกหมดตั้งขึ้นต้นต้องเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ไม่มีการทรงตัวและข้อที่สองบรรดาท่านพุทปบริสัทิไม่ขณะที่นั่งปฏิบัติโยนี้จิตใจมีวออย่างใดอย่างหนึ่งสิงไม่ได้เป็นอังขาด นิวรณ์ห้ราการคือความชั่วที่ทำจิตใจให้โง่ได้ว่าคือหนึ่งความรักในระหว่างเพศอย่าให้มีสองอารมณ์ที่ไม่พอใจสามความวง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านนอกรีต้องรอยไม่อยู่ในร่องรอยภาวนาหรือเาหรืพิจารณาะรืรรรมไม่ใจเข้าออก ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติโดเฉพาะอย่างยิ่งการสงสัยและบางคนชอบพูดคิดไปเองบาได้ยังไงคำอุปาทานมาไยังไงถ้ารู้ดีอย่างนี้ไม่ต้องมาปฏิบัติที่นี่มักจะชอบผููกันแบบนี้เสมอจําไว้นะทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ให้จําไว้ว่าขณะที่ท่านทรงสมาธิอยู่คำอุปาทานเนี่ยมันไม่มี เว้นไว้แต่พวกท่านทั้งหมดที่มานั่งที่นี่จะไม่สนใจในความดีลอยจิตล่องลอยไปตามอารมณ์อย่างนี้มีวาทายครูเขาไม่ครบถ้าบุคคลใดคขาอุปาทานแล้วก็ครูทั้งหลายจงอย่าสอนเลยปล่อยไปเลยถ้าดื้อด้านอย่างนั้นอย่าสอนเราต้องการจะเพาะคนดีคนเอาจริง นี่ก่อนที่ท่านนนหลายจะภาวนาต้องทําจิตให้สะอาดเสียก่อนจึงอย่าลืมนวันหนึ่งศีลต้องมั่นใจในศีลมาปฏิบัติที่นี่ก็ต้องทรงศีลบริสุทธิ์กลับไปอยู่ที่บ้านก็ต้องทรงศีลให้บริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์อารมณ์บกครองความไม่ทิปก็หายไปก็มีคนมาบ่นหลายคนทีอยู่ที่นี่ดีแต่ที่บ้านไม่แจ่มใสไม่มีการคล้องตัวก็เพราะว่าพอไปถึงบ้านแ ล, ล้วก็ปล่อยศีลบกครอง ท่า น, น, นก็ขอบงามใจถ้าจิตไว้สะอาดพอวิธีทาจิตสะอาดเป็นแบบนี้ต้องตั้งใจเอาจริงเอาจังคือคิดตามความเป็นจริงด้วยปัญญาคือมันก็ไม่ต้องคิดมากไม่คิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์ใช้ปัญญาคิดว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้ายัางคิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสุขไม่ต้องมาปฏิบัติที่นี่ต่อไป ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะการเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขความหิวก็เป็นทุกข์ง่วงนอนก็เป็นทุกข์อดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นทุกข์การทํามาให้กินเลยยากก็เป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์การทัดแฝงเจะของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ห่วยไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์ความตายย้เข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ มันเป็นทุกข์ขนาดนี้แล้วทำไมจะมีคิดว่าสุขถ้าคิดว่าสุขก็โง่เกินไปอย่างนี้ไม่ควรในการเจริญกรรมฐานหมดนี้ในเมื่อเห็นว่าการเกิดปมนุษย์ันเป็นทุกข์ชาตินี้เป็นทุกข์ถ้าเราจเกิดชาติหน้าอีกกี่ชาติความทุกข์มันก็เกิดอย่างนี้ต้องตัดสินใจว่าการเกิดปมนุษย์มันเป็นทุกข์ แ้่เป็นเทวดาเป็นพรหมมาสุขก็มันทุกข์เป็นเทวดาหรือพรหมะมีความสุขสุขจริงแต่ก็สุขไม่นานไม่ชาไม่นานก็หมดบุญวัสนามารมีต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่บางท่านก็ไม่ลงมนุษย์ไปเกิดโน่นพุ่งจะเทวดาหรือพมก็ลงอบายะขุมเป็นสัตว์นรกเป็นตน้นกาจะกลับระเกิดเป็นคนอีกนานแสนนาน มันทุกข์หนักกว่าคนในอบายภูมิเป็นคนก็ยังเป็นทุกข์กระรวงความเป็นเทวดาแล้วผมก็ไม่ดีไม่มีความสุขจริงดินแดนที่มีความสุขจริงคือนิพพานและนิพพานอยู่ที่ไหนถั้าบรรดาเทพบุตรบริษัททั้งหลายตั้งใจทำจริงวันนี้ก็รู้จักนิพพานวันนี้ก็รู้จักสวรรค์วันนี้รู้จักสมนรค ถ้าตั้งใจเอาจริ ง, รงๆเขาสามารถจะเลิกชาติได้ครูจะแนะนําให้สามารถจะทาาราบก่อนเกิดที่เรามาจากไหนแล้วการที่มีความสุขความทุกข์ในชาตินี้เราทํากรรมอะไรไว้ตายจากชาตินี้จะไปอยู่ที่ไหนอันนี้รู้หมดแต่ขึ้นอยู่กับบุคคลต้องเอาจริงต้องตัดสินใจว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวะโลกก็ดีพรทธโลกก็ดี ไม่เป็นแดนที่มีความสุขจริงเราไม่ต้องการอีกเราต้องการคือการ น, นิพพานอย่างเดียวตัดสินใจให้แน่วแน่นะอย่าลืมศีลต้องบริสุทธิ์ไม่คบนีวานห้าบริการตัดสินใจไม่ต้องการมนุษโลกเทวโลกเระเป็นมโลกสํสำหรับคำบรรนาคคำบวันานให้ควบคู่กับลมหายใจเขา้าเข้าออก เวลาให้ใจเข้านึกตามวันละมะเวลาให้ใจออกนึกตามอาภาตะอันนี้ต้องคุมสติสัมปชัญญะให้ดีเพราเราฝึกกับวิญญา่าสักเววทวาธรรอย่าถืออาการแก่หรือการไม่เคยชินมาพูดมันนี่ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็กลับไปบ้านสัก่อนไปซ้อมขบวนนาให้คล่องแล้วกลับมาทำกันใหม่ ต้องถือว่าเป็นยาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเครื่องเอาดีต้องทําจริงจังต้องตัง้งใจจริงการภาวนาไปาพลาดั้งบางนี้เป็นของธรรมดาไม่ว่าที่บอกก็ามาเคยอย่างนั้นมาเคยอย่างนี้มาฉันเละไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อย่างนี้กลับบ้านไปคนละกั น, กนมีหลายคนที่มาพูดอย่างนั้นคนเลวประเภทนี้สำนักนี้ไม่ต้องการไม่ต้องการอาจริงเอาจังไม่ต้องการคนที่ไม่เอาจริงเอาจัง ให้คําบรรณาวัณณมวัฏทะเวลาให้ใจเข้านึกวัณณมะเวลาให้ใจออกเป็นวพาตะให้เวรละภาว น, นาก็ดีพิจรารณาก็ดีให้ลม ใ, ใจก็ออกก็ตามปล่อยไปตามสบายจะบังคับจิตในตอนต้นนี้ต้องได้ทิพย์โคุย่างก่อนขณะที่ภาว น, นาอยู่จงอยาอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นอิสระ เพราะการภาวนาต้องการแค่จิตทรงตัวความเป็นทิพย์ของจิตจะได้เมื่อครูเข้าไปแนะนำํำตอนนี้หากว่าเวลาถ้ามีครูเข้าไปแนะนําเขาจะปล่อยให้ภาวนาประมาณสิบนาทีต่อไปก็ครูเข้าไปแนะนําถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปนั่งข้างหน้าหรือนั่งกลางวงให้ทราบว่าบุคคลนั้นเขาจะเข้าไปสอน เมื่อมีคนและมีพระเข้าไปนั่งกลางวงและนั่งขนาดเวลานั้นให้หยุดภาวนาทันทีเลิกไปเลยแล้วก็ไม่สนใจเขาลงให้ใจเขาออกปล่อยใจตามสบายแต่ตั้งใจฟังคำแนะนำของครูผู้สอนครูผู้สอนจะแนะนำในการตัด ก, กิเลสต้องตัดไปตามนั้นทันทีนะจะอ่าอะไรว่าทำไม่ได้ทำไม่ทันอันนี้ไม่ได้ อริญญาไม่มีการให้อภยัยเมื่อครูเห็นว่าจิตสะอาดพอท่านก็จะครูจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีท่านผูดด้ใดมาอยู่ขณาบางเขาถามถึงความรู้สึกว่าท่พุกคุยานเนี่ยแบ่งเป็นสามตอนถ้าได้อย่างหยาบมีแต่ความรู้สึกไม่เห็นภาพ ได้อย่างกลางมีความรู้สึกเพราะก็จิตเห็นภาพไม่ใช่ดตาเห็นภาพท้านได้อย่างละเอียดมีความรู้สึกเพราะจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสถ้าอย่างกลางนั yeah. times, ้นไม่ชัดไม่รจนนะเพื Twelve, ่ออย่างหยาบมีความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพอย่างกลางมีความรู้สึกจิตเห็นภาพไม่ชัดอย่างละเอียดอย่างดีจิตมีความรู้สึกเพราะจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมาก ให้คือว่าถามเร่งความรู้สึกให้เชื่อมันในความรู้สึกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี่ถูกต้องอย่าสงสัยให้ตอบทันทีทันใดอย่านิ่งถ้าหากว่าเขาฝึกทีเดียวหลายคนถ้านั่งเป็นกลุ่มคู่กันเป็นวงเขาพูดกับคนใดคนหนึ่งทุกคนในถือว่าพูดกับตัวเองด้วยให้แบบทำซึมซึมงๆแบบนี้มีเยอะแต่นี้มาสอนกันไม่ได้ เขาจะไปนั่งไล่เบีย้ยทุกคนมันไม่ไหวเวลาไม่พอเพะเวลาฝึกจริงๆริมีเวลาหนึ่งชั่วโมงถ้าถึงเวลาหนึ่งชั่วโมงตรงเวลาข้าครูก็ไปฝึกสอนใหอ้อาจารย์ผู้ขุมกดกิ่งสัญญาณบอกเลิกทันทีไม่ต้องห่วงคนที่ไม่สนใจถ้าว่าถามว่ามีความรู้สึกว่ามีท่านบรไดาอยู่ก็นาบางังให้ตอบตามความรู้สึกของตัวถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบว่ามีทันทีพร้อมกัน <c oughs> แต่ก็ถามว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายภาพที่เห็นน่าจจะไม่เหมือนกันเพราะทิวันดากับพรมท่านมามากถ้าเราเห็นน่าเป็นผู้หญิงเพื่อนเห็มผู้ชายเพื่อนตอบผู้ชายเขาช่างเราก็ตอบตามของเราว่าเป็นผู้หญิงเขาถามน่าสีสันวันนะว่าเป็นยังไงแต่งตัวเสียอะไรตอบตามความรู้สึกนั่ตัวเองสําหรับท่านที่ได้อย่างต่าท่านไี้ได้อย่างกลางมีความรู้สึกเราเห็นภาพไม่ชัดชัดไม่ชัดเราจำาป็นให้ตอบตามความรู้สึก ที่ท่านได้อย่างละเอียดเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากอย่างนี้ให้ต่อตามตามที่เห็นทันที่ทันใด <c oughs> <c oughs> เวลาตอบอย่ากลัวผิดที่คิดว่าถูกต้องเสมอหลังจากนั้นครูจะแนะนำให้ท่านหลายท่องเทียบรรพบุรุต่างอันดับแรกจะแนะนำไปจุรามณีเจดีสถานหลังจากนั้นจะบรรดุไปบรรดุกระบอเสลอาจไปพบกระอิน หลังจากนั้นจะปฏิพันธ์ต่อจากนั้นถ้ามีการเข้างตัวครูก็จะนำไปที่ทุตสุกสารยังอรูปภปพและภพทุกทุกชั้นเทวดาทั้งหมดนรกไปทศวรรกายสติฉันต่อถึงการระลึกชาติได้แค่ความเป็นอยู่ของตัวในชาตินี้อะไรต่อไปบรรดาทั้งพุทธวิสัชทั้งหลายเวลาก็จะพูดหมดแล้วก็บรรดาสาวเขาองค์สมเด็จประมาทิกแก้ว เริ่มภาวนาได้ให้ใจเข้านึกวัณหมะใจออกนึกวัดพระธาตะตอนนี้ไปให้เวลาภาวนาจริงๆสิบนาทีหลังจากนั้นครูจะเข้าสอนเมื่อครูเข้าสอนแล้วจะตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงพอครบหนึ่งชั่วโมงจะเลิกกันทีใครจะได้จะไม่ได้เป็นเรื่องของแทนบด น, นบั้นสวัสดี